เพียรพยายามไปมีทุกข์ก็อย่าทิ้งการดึงกันออกมาเพราะขอให้ถูกต้องให้เขาพ้นจากทุกข์ถึงเขาที่เขาเจ็บใข้ได้ป่วยช่วยกันให้เขาได้พ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือตรงนัดนนี่เราห ย, ย่างคือกันแล้วย่านะมิตร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 อยาให้ได้คนหนึ่งลาบากคนหนึ่งสะดวกไม่ใช่แบบนั้นฉนันอีมแล้วคิดถึงคนที่ยังไม่อิม่มเรามีความเคร่งข็ ง, ขงคิดถึงคนที่วนอ่อนเดที่อยู่ด้วยกันแม้จะทำไม่ได้ก็ต้องทำใจให้มัน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 เป็นทุกข์ไม่มีธรรมวินทุกข์เห็นวนทุกข์ขนส่งให้พ้นจากทุกข์นี่คือธรรมวินัยวิเศษในเยอะหนําไปพ้นแล้ว่านนี้เรียกว่าธรรมวินยัยเอื้อมมือถ้ามีธรรมวินัยอย่างนี้ธรรมวินัยเลียนนี้เหมือนครับาตดากำลังเอื้อมมือ ที่จะดึงเราแล้วก็เอื้อมมือไปหาโน้มมาใส่เราแล้วก็น้อมตัวเข้าไปมันอาศัยได้ทาฟางวิธยไหนะอาศัยได้เราหลงง่าอายคนอื่นไม่หลงเราโกรธคนอื่นไม่โกรธในตัวเรานี้ก็มี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 อะไรเป็นงานเป็นการอะไรเป็นหน้าที่อะไรเป็นควก่อนอะไรเป็นก่อนอะไรเป็นหลังให้ให้ให้ให้เรียบร้อยงานที่ทําเป็นประโยชน์เพื่อกูนต่อเพื่อนตอมิรก็ทมต่อทมก็ทมต่อวิไหนก็ทม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 ขอให้สุดฝีมือทําให้สุดฝีมือเหมือนคนตกน้ํนนนาจะพยายามที่ช่วยว่ายน้ามไม่เป็นมันไปกลก็หาวิธี ท, ท, ท, ที่ทิ้งข อ, อนม้ทิ้งเชือกให้เขาดึงเขาจะดึงไหมทิ้งเชือกให้เขาเขาไม่จบเชือกโอ้จบเขาก็ไม่จบจะทำไงย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 อาจารย์ก็บอกว่าโอประตูนรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้วนองึ้นมามาฝันด่าก็ระยินโอ้กระทบกระทืบใ น, น ก, กิจใจประตูนรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้วจะเออตัวออกมาระวังถ้าฝันก็อาจจะ ก, กระโดโดออกไปสักหน่อย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 นี่คือเราก็ตะโกนบอกเราวเวลามาหลงตะโกนหรืมมันดังกลองหลงคนดังก็งกไม่หลงคนดั ง, งยิ่งเราไม่วิชากรรมฐานเข้าไปแล้วเอาไว้ว่าเราจะทำงางจิตใจทงางไหนหดเข้าหรือว่า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 อย่าปิ ด, ปดอย่าไม่ไมศึกษาอย่าไม่ใส่ใ จ, าใจการที่ใส่ใจในการช่วยตัวเองเนี่ย ม, มันถือว่าเป็นกันลยาณมิตรกับตัวเองเนี่ยมันมีคนช่วยกว็เป็นกัญยาณมิตรกับตัวเองให้ได้อยอมเจ็บไข้ได้ป่วยเน่ยยอมที่ไม่ทุกข์ยอมที่มีสุขยอมที่มันหลงมันอะไรต่างๆ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 เริ่มต้นจา ม, มันหลงฝักแห่งความหลวงนน่นจงไปจงมอถึงที่ไม่มีนม้ำจากที่ไม่นม้ำหลงเป็นโอคะห้องน้ำขึ้นฝั่งไม่หลงทุกห้องน้ำไาขึ้นฝั่งไม่ทุกขนส่งตัวยางไงจาจ้าคือขนส่ง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 มันก็ไปแค่นี้เองมีพิษมีถูกทัวนี้มีหลงมีไม่หลงมีทุกข์มีไม่ทุกข์มีเกิดมีไม่เกิดมีแเจมีไม่แจ่มีเจ็บมีไม่เจ็บมีตายมีไม่ตายแล้วก็ได้ยินว่าเป็นอย่างนี้แต่เราฝึกขัดไหมเรื่องเนี้ถ้าทําไม่เป็นแล้วก็เก็บไม่เป็น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 ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดไว้อย่างนี้ไม่จนเรื่องนี้ไม่กแก่เรื่องนี้ไม่เจ็บไม่ตาย เ, ยเรื่องนี้อช่วยกันเถอพวกเราเป็นกัน ร, ระยะนามิดกัน ร, ระยะนธรรมาเป็นกัน ร, ระยะมิดเป็นกัน ร, ระยะนธรรมเยไม่มีวันที่จะทะเลาะวิวาทกันเลยแต่เป็น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 ถ้ามีปัญญาลงท้ายในความหลงมีปัญญาวงเล็บไปในมีความไม่หลงปัญญาในปัญหามีปัญญาวงเล็บไปปิดท้ายไว้ก็มีปัญญาสุดทางอยู่ทรงนั้นคีวิตเรานำตัวเองไปให้ถึงปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จา ก, กมานรู้จักตูนตนมองตนเตือนตนแจ้ไขตน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 ไม่ต้องมาก็ได้ถ้าบอกได้แล้วเนี่ยเหมัอนอยู่ที่ไหนเลยทุกอย่าอยู่ที่ใจเราเราอยู่ที่ไหนหละอยู่ที่ไหนก็ทุกข์เปลี่ยนได้เลยบนถนนน้นทางบนรถมลบนที่รุ่งที่โดนที่สูงที่ต่ำที่บ้านที่วัดที่ป่าที่ลร่เปลี่ยนได้ทั้งนั้นผู้มีสติจะอยู่ที่รุ่มที่โดนที่บ้านที่ป่า